เนะจริญสตินซีกำจัดการมวิตกเจริญสมาธินซีกำจัดพยาบาทวิตกเจริญวิริยินรีกำจัดวิหิงสาวิตกเนี่ยนะนะอินซีที่กำจัดอะคูสนวิตกได้โดยเด็ดขาดต้องเป็นปัญญินรีแต่เบื้องต้นนะการกามวิตกด้วยสติการวิหิงสาวิตกด้วย วิริยะการพยาบาทวิตกด้วยสมาธิแต่ว่าเด็ดขาดจริงๆก็ต่อเมื่อนู่นแหละปัญญารู้เห็นอริยสัจผู้ที่มีศรัทธาในอินทรีย์5ประการเรียกว่าสัจทินทรียสัจทินทรีย์จะบริบูรณ์เมื่อไหร่นนโสตาปฏิยังฆ่าธรรม4ประการนีโสตาปฏิยังฆ่าธรรมสประการ น, ะาารารนี้อย่างที่เคยกล่าวว่าแบ่งออกเป็นสองชุดด้วยกันชุดแรก ผู้ที่ยังไม่เป็นพระอริยะปฏิบัติเพื่อให้เป็นพระอริยะชุดแรกใช่ไหมชุดที่สองก็คือสําหรับของพระอริยะอยู่แล้วคือเป็นพระโสดาบันอยู่แล้วอินทรีย์ที่ปฏิบัติเพื่อให้เป็นพระโสดาบันก็คืออะไรสัตตินเซนะคือหนึ่งคบสัตบุรุษก็คือไตรสารณาคมแม่นยำสองฟังอริยสัจคือฟังธรรมะนั่นแหละฟังสาระนั่นแหละไม่ได้ไปที่ไหนหรอกสโยนิโสมนัิการ ก็เอาพระธรรมเป็นต้นนั่นแหละมามาโยนิโสถามาโยนิโสแค่ไหนแค่ให้สมควรกั่โลกุตระธรรมเนี่ย น, นะโยนิโสมนสิกา ร, รต้องสมควรแก่โลกุตระธรรมเพราะโยนิโสมนสิกา ร, รนั่นแหละเป็นการปฏิบัติธรรมนั้นปฏิบัติธรรมก็ให้สมควรแก่ความเป็นพระโสดาบันทีนี้เมื่อเป็นพระโสดาบันเป็นยังไงมั่นคงในพระพุทธเจ้ามั่นคงในพระธรรมมั่นคงใน พระสงค์ที่สำคัญคืว่ารู้อริยญายธรรมรู้อริยญายธรรมก็คือรู้ว่าสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้เกิดเพราะสิ่งนี้เกิดถ้าสิ่งนี้ดับเพราะสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ไม่มีเพราะสิ่งนี้ไม่มีพ่ออย่างสรุปเอายังไงกันแน่เอาว่าสิ่งนี้มีเพราะสิ่งนี้เป็นปัจจัยก็คือวัตถุทุกทั้งหลายมีอวิชชาเป็นต้นเป็นปัจจัย ความสิ้นไปแห่งวัตรตุกขทั้งหลายเพราะสิ้นอวิชชานี้จะสิ้นอวิชชาได้เพราะรู้อะไรรู้อริยสัจนั้นการรู้อย่างนี้แหละเขาเรียกว่ารู้อริยญาณธรรมพระโสดาบันนี้มีชื่อนึงว่าอนัญยตัญยสมีตินรีคือการมรสิการถึงอริยสัจที่ที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะก็คือผู้ที่แทงตลอดอริยสัจนั่นเองนี้ผู้ที่บรรลุอริยสัจเนี่ยนะศีลจะดีเยี่ยมเศีลของท่านเนี่ยจะดีเยี่ยม เจตนาที่เป็นเหตุคิดฆ่าไม่มีมานสศิการอารมณ์อะไรก็ตามชีวิตดินซีไหนก็ตามเจตนาที่เป็นเหตุฆ่าไม่มีสาหรับท่านวัตถุที่เป็นของวัตถุทุกชนิดจะไม่เป็นอารมณ์แห่งอัินาทานเจตนาของท่านท่านจะไม่คิดเขาเรียกว่าการเมสุมิฉาจารเนี่ยนะเม้แต่ความคิดก็ไม่มีคิดจะพูดให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงก็ไม่มีเจตนาที่เป็นเหตุดื่มสุราก็ไม่มี เรียกว่าตัดขาดโดยอริยมรรคเนี่ยนะโสดาปฏิมรรคเนี่ยท่านตัดขาดเลยแต่คนรักษาศีลทั่วไปเนี่ยนะที่รักษาศีลก็เพราะศีลเนี่ยแต่ทางฆ่าปะหารไม่ได้ตัดแบบสมุทเฉทะปะหารฆ่าดีมั้งเนี่ยนะถ้าโสดาบันแม้แต่ความคิดเช่นนี้ไม่มี น, นะถ้าคนศึกษาธรรมะหน่อยนะอาจจะไม่คิดฆ่าสัตว์ใหญ่ใช่ไหมยุงตัวนี้มันบินกวนเหลือเกินเนี่ยนะเกิดใหม่ดีมั้งอย่างนี้เลยถ้าเขาคิดอย่างนั้นกับเราบ้งกะว่างไง นั้นพระโสดาบันอันนั้นหมายถึงผู้ที่เป็นพระโสดาบันแล้วท่านเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอินทรีย์ของพระโสดาบันเรียกว่าสัตทินทรีนะบริบูรณ์ที่โสตาปฏิยังฆ่าธรรมแต่ว่าการเป็นพระโสดาบันนะถ้าเกียรติคร้านเป็นไปได้ไหมที่จะได้บรรลุเป็นไปไม่ได้นะั้นสัททินทรีนะสำคัญแต่วิริยทรีจะมาสคัญจะมาสนับสนุนส่งเสริม สัตทินสีนนะความเป็นพะโศนดาบันเนี่ยนะเป็นคุณธรรมที่วิเศษใช่หดีเยี่ยมแต่ถามว่าถ้าชีวิตปล่อยปละละเลยเนี่ยนะบาป ท, ที่เคยเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดต่อไปบุญที่ยังไม่ทำก็อย่าไปขวนขวายอะไรมากนักเนี่ยนะเป็นไปได้ไหมไม่ได้อยู่แล้วเพราะนวิวนสีเนี่ยสำคัญอันดับต่อมาแต่เครื่องตรวจสอบอีกอย่างหนึ่งที่ที่ดีมากนะคือสตินรีใช่สตินรีก็คือสติปัญญา ผลของการเจริญกายานุปัสนาสติปัฏฐานคืออะไรละสุภวิปปาราตผลของการเจริญเวทนานุปัสนาคือละสุขาวิปปาราตผลของการเจริญจิตานุปัสนาละนิจาวิปปาราตผลของการเจริญธรรมานุปัสนาคือละอัตตาวิปปาราตเขาจะกําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้คือขันและอายตนะพร้อมกับทุกขสัตว์เขาจะละในสิ่งที่ควรละคือ นิวร์เขาจะเจริญในสิ่งที่ควรเจริญคือมัดเขาจะทําให้แจ้งสิ่งที่ควรทําให้แจ้งคือนิโรศจจะเนี่ยนะมันนั่นอยู่ในธรร ม, มานุปัสสนาเพราะธรร ม, มานุปัสสนามีห้าบัพพะใช่ไหมบัพพาแรกเป็นนิวร์เป็นธรรมที่ควรละบัพพาที่สองสามคือขันกับอายตนะเป็นธรรมที่ควรทําปริญญาเนี่ยนะรอบรู้ส่วนโพชงนี้เป็นธรรมที่ควรจเจริญ อริยศัสตร์เนี่ยต้องอะไรทุกขศาสตร์ปริญญาสมุทัยปานะานิโรสัตร์ทำให้แจ้งมรรคศัสตร์เจริญนี่นะเพราตัวที่กำกับนะว่าการเจริญการปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ต้องไม่ฟุ้งซ่านนี่นะเพราะผู้ที่ศึกษาปริยัตยิเนี่ยเขาบอกว่าชอบท่านจะเขามีคนไว้คุยกันว่าพวกฟุ้งซ่านเขาว่างั้นนี่นะ เพราะฉะนั้นผู้ที่ศึกษาแบบนี้ต้องไม่ฟุง้งซ่านอันนี้เป็นตัวกำกับนะสมาธิสีจึงจึงตามมาไง น, นะรอบรู้หนะึ่งสองสามนะศรัทธาวิริยะสติดีแล้วต้องไม่ฟุ้งซ่านนะอันนี้ก็เป็นเครื่องตรวจสอบแต่ถามว่าไม่ฟุง้งซ่านมันมีกลุ่มหนึ่งคือนิ่งก็เป็นหลับเลยไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องรู้อริยาสตร์เป็นเป็นเกณฑ์เนี่ยนะรู้อริยศัสตร์เป็นประมาณเนี่ยนะว่าความสงบสงบ เพื่อแทงตลอดอริยสัตว์พระโสดาบันทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยท่านก็เจริญอย่างนั้นข้อปฏิบัติดังกล่าวไปทั้งหมดเนี่ยนะเรียกว่าข้อปฏิบัติของเสขะบุคคลทั้งหลายสรุปย่อๆว่าเอาพระองค์เอาผลเป็นเครื่องวัดเลยนะตอบง่ายๆว่าหนึ่งไม่ติดในกามสองใจไม่ขุนมัวอันนี้ง่ายมากเลยนะพระโสดาบันท่านปฏิบัติอย่างนี้คือผลออกมาต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นนะนะไปทํำยังไงก็ ก็ตามสูตรอื่นๆนะนะแต่ตรงนี้บอกว่าผลต้องเป็นอย่างนี้คือท่านถ้าชีตานี้เป็นกลุ่มอุคติตันอยู่เพราะฉะนั้นบอกแต่ผลก็พอเหตุเดียวท่านไปทำเอาคนเดียวเนี่ยส่วนมาดูข้อปฏิบัติที่เป็นอาเสขาปฏิปทาข้อปฏิบัติของพระอรหันต์หน้ายี่สิบแปดข้อสิบเจ็ดนนี้ต่อไปจำแนกอาเสขาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติของพระอเสขาทั้งหลายว่า คำว่ากุสโลสัพพธรรมมานังคือพระอาเศสขาบุคคลเป็นผู้ฉลาดในธรรมทั้งปวงในคำว่าโลกนะนะชื่อว่าโลกมีอยู่สามอย่างคือกิเลสโลกภาวะโลกและอินทรียโลกเมื่อก่อนในหน้า27เราเคยแสดงไปครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมเรื่องโลกเนี่ยโลกสาประการนะคือหน้าส7บเจ็ดนะนับลงสามบรรทัดว่ากิเลสโลกภาวะโลกอินทรียโลกปกติแล้วแบ่งออกเป็น3มกลุ่ม กิเลสโลกหมายถึงกามาวจรภวะโลกหมายถึงรูปาวจรอินทรียโลกเป็นชื่อของอรูปาวจรหรืออีกในหนึ่งเขาบอกว่ากิเลสโลกเป็นชื่อของวิบัติสัตว์วิบัติสัตว์ก็คืออบายนั่นเองภวะโลกก็คือสัมปัติสัตว์ก็หมายถึงสุขติสุขติทั้งหลายส่วนอินทรียโลกก็คือของผู้ที่มีศรัทธา วิริยะสติสมาธิและปัญญานั่นเองแต่ในที่นี้เน้นภาวะโลกกิเลสโลกเป็นกามาวจรนะภาวะโลกเป็นรูปาวจรและอรูปาวจรส่วนอินทรียโลกอะนะอินทรีโลกเนี่ยนะอันนี้เป็นชื่อของผู้ที่มีศรัทธาเป็นต้นบรรดาโลกสามอย่างนั้นภาวะโลกเกิดขึ้นด้วยกิเลสโลก ภาวะโลกซึ่งหมายถึงรูปราวจรอรูปราวจรเนี่ยเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีมหากุสลนเป็นสมุทฐานได้ไหมไม่ได้มหากุสลเนี่ยท่านถือว่าเป็นฐานที่รองรับรูปราวจรและอารูปราวจรนั้นคำว่ากิเลสโลกเป็นชื่อของกามาวจรแต่เป็นกามาวจรที่เป็นฐานแห่งสมถะคือเป็นฐานของรูปราวจรและอรูปราวจร ก็น sí yeah, sure. so right. ่าคิดนะถ้าใครศึกษาสมถะมาเป็นอย่างดีว่าก่อนที่จะเป็นปฐมฌานนะต้องมีมหากรุสเนี่ยเกิดอย่างมากพอได้ปฐมฌานนะนะจะต้องมาเจริญมหากุศลอีกนั่นแหละเพื่อให้เกิดทุติยะฌานได้ทุติยะฌานก็ต้องเจริญมหากุศลอีกนั่นแหละเพื่อตัติยะฌานได้ตติยะฌานต้องมาเจริญมหากุศลอีกนั่นแหละเพื่อจตุทัชฌานได้จตุทัชฌานแล้ก็เจริญมหากุศลอีกนั่นแหละเพื่อ อรูปฌานนะก็เจริญมหากุศลนเนี่ยสำคัญอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นมหากุศลนี้เรียกว่าเป็นกิเลสโลกยังอยู่ในกลุ่มการมาวาจรก็เลยเรียกว่ากิเลสโลก ก, กว่าอยู่ในวังวนของมู้ผู้มีกิเลสซะส่วนใหญ่ฉั้นผู้ที่ต้องการพ้นจากกิเลสโลกก็ต้องเจริญสมถะวิปัสนาว่าสรุปก็คือภาวะโลกคือรูปาวาจรอรูปาวาจรนี้เกิดจากกิเลสโลก บุคคลผู้ตั้งอยู่ในมหกคตธรรมคือภาวะโลกนั่นแหละมหากคตธรรมก็คือฌานย่อมยังอินซีมีศรัทธาเป็นต้นให้เกิดคือถ้าได้ฌานอย่างนี้แล้วคือได้ทั้งรูปฌานอารูปฌานแล้วก็มาเจริญศรัทธาเนี่ยนะที่เป็นอินทรียโลกนะเจริญศรัทธาเจริญวิริยะเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาซึ่งอัตถกถาท่านบอกว่าเป็นธรรมะที่บ่มวิมุตตอ น, นะ เรีกว่าพอได้รูปราวจรอรูปราวจรฌานได้ฌานแล้วก็มาเจริญศ ร, รัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นธรรมะที่บ่มวิมุตต์ถามว่าธรรมะที่บ่มวิมุตต์เนี่ยเจริญยังไงก็คือคุ้นเคยกันนะเจริญศ ร, รัทธาที่อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละการเจริญลักษณะเนี่ยเป็นการเจริญเพื่อเพื่อให้วิมุตต์เกิดขึ้นนี่นายหนึ่งแต่ในอื่นก็บอกว่า ถ้าศรัทธาที่จะเป็นกลุ่มบ่มวิมุตต์นะอย่างพระราหุลที่ท่านบ่มวิมุตต์เสร็จแล้วเนี่ยบ่มอินทรีย์ที่ที่เป็นเหตุให้เกิดวิมุตต์ของท่านด้วยอาการสิบห้าถ้าบ่มศรัทธานะบ่มศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเนี่ยมีข้อห้ามอยู่ห้าข้อมีข้ออนุญาตอยู่ห้าข้อพิจารณาพระสูตรห้ากลุ่มห้ากลุ่มข้อห้ามก็บอกว่าถ้าอยากจเจริญอินทรีย์ห้านะหนึ่ง เว้นคนไม่มีศรัทธาสองเว้นคนไม่มีความเพียร 3. เว้นคนไม่มีสติ 4. เว้นคนไม่มีสมาธิ 5. เว้นคนไม่มีปัญญาถ้าว่าไปจริงๆก็มงคนข้อหนึ่งนะสำคัญมากแล้วนะถ้าจะเจริญคุณธรรมชั้นสูงก็ต้องเว้นคนชั้นกลุ่มที่ไม่มีศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญาอันนี้หข้อแล้วก็มงคลข้อที่2ก็คือคบสัตว์บุรุษ ทีนี้เราก็ครบคนมีศรัทธาครบคนมีความเพียรครบคนมีสติครบคนมีสมาธิและครบคนมีปัญญาอันนี้เป็นสิบข้อไปแล้วใช่ไหมถ้าสติศรัทธาต้องอะไรพิจารณาพระสูตรเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาเนี่ยนะเช่นเอกบุคคลบาลีเป็นต้นเนี่ยนะพระธรรมหมวดเนี่ยควรควรฟังเพื่อส่งเสริมศรัทธาถ้าวิริยินรี่แหละพิจารณาสัมมาประธานส ที่มีสังเวกวัตถุเป็นเหตุใกล้นั่นแหละสตินสีก็สติปฐานให้แม่นยำสมาธินสีฌานสีปัญญสีพิจารณาเขาเรียกว่าญานจริย า, ยาอันลึกซึ้งเนี่ยนะคำพีคพีระเนี่ยนะเป็นชื่อของการพิจารณาขันธ์ธาตุอายตนะและปฏิจจสมุปบาทการพิจารณาขันธ์ธาตุอายตนะปฏิจจสมุปบาทเพื่ออะไร คือขันอาญตนาธาตุเป็นปริญญยยธรรมปฏิจจสมุปบาทเป็นปหาตประธรรมเพื่ออะไรเพื่อนิโรธและเพื่ออริยมรรคนั่นเอง ม, มันก็เรียกว่าพิจารณาญาณจริยาอันลึกซึ้งท่านบอกว่าขันธาตุอาญตนาปฏิจจสมุปบาทก็คือพิจารณาญาสัตว์นะว่าย่อๆตรงๆเลย พันผู้ที่เจริญอินทรีย์ดังที่กล่าวไปเนี่ยนะที่เรียกว่าเจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาอาศัยนิโรธะน้อมไปเพื่อการสละเนี่ยนะคนที่เจริญอย่างนี้จริงๆย่อมมีการกําหนดรู้ธทำที่ควรกําหนดรู้ถามว่าย่อๆเลยทำที่ควรกําหนดรู้คืออะไรก็คือท่านบอกว่ารูปอรูปปริหะแปลว่าการกําหนดรูปและอรูป คือก็คือกำหนดนามกับกำหนดรูปกำหนดรูปกาหนดยังไงก็กำหนดภูตรูปและรูปที่อาศัยมหาภูตรูปสี่ก็เห็นมหาภูตรูปนั่งไหมเห็นก็อนุโมทนาด้วยนะมหาเห็นมหาภูตรูปแล้วในรูปนั้นๆเนี่ยมีอุปาทายรูปกี่รูปเช่นมหาภูตรูปคือผมเนี่ยนะ มีอุปาทายรูปเท่าไหร่เห น, นก็อวินิสีเก่นรสโอชาชีวิตชีวิตตินรีแล้วมีอะไรอีกอก็มีภาวะรูปเนี่ยนะมีภาวะรูปส่วนวิการรูปไม่มีใช่ไหมไม่มีก็แต่ละรูปแต่ละรูปก็พิจารณาเป็นมหาภูตรูปและรูปที่อาศัยมหาภูต์ผลพวกนี้เรียกว่ากำหนดรู้ รูปจะไม่ใส่ตัวเลขไปง่ายๆเลยใช่ไหมนี่มีกี่รูปอย่างเพราะในแต่ละรูปมันมีตัวเลขไม่เท่ากันนะนะเมื่อพิจารณาโดยรอบแล้วจะไม่เท่ากันอย่างพิจารณาสีของมดของแมลงเป็นต้นก็จะมีรูปอีกอย่างหนึ่งของมนุษย์ของเทวดาก็จะมีรูปคนละอย่างคนละอย่างไปแล้วรูปเหล่านั้นเป็นที่ตั้งแห่งอะไรบ้างถ้ารูปดีๆนะเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนารูปไม่ดีเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนารูป ปานกลางก็เป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาเวทนาสัญญาเวทนาและจิตก็เกิดร่วมกับเวทนาเหล่านั้นนั่นแหละอันนั้นเป็นอรูปทั้งหลายก็คือขันธาตุอายตนะนั่นแหละเพราะฉะนั้นผู้ที่เจริญศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็จะกําหนดรู้ทำที่ควรกําหนดรู้ก็คือทำปริญญานั่นเอง การกำหนดรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้ที่เรียกว่าปริญญานั้นน่ะควรพิจนารณาโดยสองประการคือทัศนะปริญญาและภาวนาปริญญาทัศนะปริญญานี้เป็นชื่อของยาตประปริญญาและภาวนาปริญญาอันนี้เป็นชื่อของตีระณะปริญญาและปหานะปริญญาทัศนะปริญญาเนี่ยนะท่านท่านกล่าวตามสภาวะนะสองอย่างเนี่ยภาษาบุตรกับพระหมหากัจจายนะท่านไม่ได้พูดขัดกันเองนะ พระภาษารีบุตรท่านจะชอบมักสแสดงว่ายาตะปริญญาตีระปริญญาปะหานะปริญญาถ้ามหากัจรยนตะร์ท่านบอกว่าทัศนนะปริญญากับภาวนาปริญญาถามว่าขัดกันไหมไม่ขัดยาตะปริญญาก็คือทัศนนะปริญญาไม่ต้องไปทําอะไรดูมันอย่างเดียวไอ้คำว่าดูเนี่ยดูยังไงดูแค่ไหน ก็ดูในสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะปฏิจจสมุปบาทเนี่ยนะก็คือการดูสิ่งที่มีอยู่แล้วอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ก็าตามไม่ตรัสรู้ก็าตามอาวิชชาก็เป็นปัจจัยแก่สังขารวันยังค่ํานั่นแหละเนี่ยนะเพราะฉะนั้นสิ่งเราเนี่ยทำความรู้จักก็พอเหมือนกับว่าให้ดูดูให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่คําว่าดูเนี่ยนะถ้าถ้าจักคูวิ ญ, ญญาณมันจะเห็นสิ่งที่เป็นปัจจุบันอย่างเดียวแต่ยาตะปริญญาเห็นการสามนะ เห็นทั้งอดีตอนาคตและปัจจุบันเพราะความรู้ในปฏิจจสมุปบาทจะบริบูรณ์เมื่อรู้อดีตอนาคตและปัจจุบันอดีตรู้อะไรอวิชากับสังขารปัจจุบันรู้อะไรวิญญาณนามรูปสลายตรนะหนัผัสเวทนาตันหาอุปาทานกรรมภพส่วนรู้อนาคตก็คือรู้ชาติชรา ม, มรณะนี่นะอันนี้ายกว่ามองออก ปัจจัยกับปัจจุบันพูดอีกในหนึ่งอ่ะนะกลุ่มยาตะปริญญาก็คือเห็นปัจจุบันผลที่เกิดจากอดีตเหตุเห็นปัจจุบันเหตุแล้วอย่างถึงอนาคตผลไอ้คำว่าดูในที่นี้ไม่ใช่ว่าแค่เห็นแบบเนี้นี่ยาตะปริญญาเนี่ยรอบรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามเหตุตามตามปัจจัยอย่างนี้เนี่ยนะอะไรก็เรียกว่ายาตะปริญญาก็คือการดูเนี่ยนะเนี่ยนะ อย่างยาตะปริญญาก็คือการรู้ในสิ่งที่รู้กันอยู่แล้วในสิ่งที่มันมีอยู่แล้วถ้าทัศนะปริญญาก็คือการดูในสิ่งที่มีอยู่แล้วตัวยาตะปริญญาเนี่ยจึงไม่ได้เป็นการไปสร้างไปทำอะไรขึ้นมาสักอย่างเลยถามว่าจะต้องไปสร้างขันห้าัหม αι? ไม่ต้องต้องสร้างปัจจัยที่มีขันห้าอยู่นี่ไหมก็ไม่ต้องเอกอันนี้เป็นยาตะปริญญาก็คือมองเห็นเหตุเห็นผลมอ ง, มองเห็นอดีตเหตุที่เป็นปัจจัยแก ปัจจุบันผลมองปัจจุบันเหตุที่จะเป็นปัจจัยแก่อนาคตผลต่อไปอันนี้เรียกว่าทัศน์ปริญญาแต่ว่าภาวนาปริญญาคือตีระปริญญานี้ต้องทําขึ้นต้องเจริญขึ้นต้องมาคิดขึ้นคิดขึ้นอย่างไงคิดขึ้นว่ารูปทั้งที่เป็นอดีต ท, ทั้งที่เป็นอนาคตทั้งที่เป็นปัจจุบันทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกทั้งที่เป็นปัจจุบันทั้งหยาละเอียดเลวประณี๊ยใกล้ไกลไม่เที่ยงเพราะอถาวรสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะ น่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระเขาเรียกว่าต้องมีดีกาวิสุทธิมรรคท่านบอกว่าเป็นอนุมานเป็นการเข้าไปอนุมานแต่อนุมานตามเป็นจริงเนี่ยนะเป็นการอนุมานตามเป็นจริงถามว่ารูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงแต่เราคิดถึงเมื่อไหร่ก็เหมือนเดิมเชสุดทุกเหมือนเดิมทุกอย่างเลยใช่ไหมโดยโดยพื้นฐานของเราเนะเราคิดถึงอะไรก็เหมือนเดิมมันต้องเหมือนกับอนุมานเข้าไปก่อน ว่ามันไม่เที่ยงนะแบบหยาบๆเลยก็บอกว่าเออรูปในอดีตชาติมันก็หมดแล้วในอดีตชาติไม่ถึงชาตินี้หรอกรูปชาตินี้ก็ไม่ถึงชาติหน้าหมดในชาตินี้นี่แหละรูปชาติหน้าก็จะหมดเฉพาะชาติหน้าไม่ถึงชาติอื่นต่อไปหรอกอย่างเงี้ยเป็นการอนุมานกันขึ้นแต่ถามว่าการอนุมานอย่างเงี้ยตามเป็นจริงไหมจริงหรือไม่จริงจริงเนี่ยนะแต่พื้นฐานว่าปัญญาเราไม่เคยเกิดเราต้อง น้อมนึกตามไปพิจารณาไปอันนี้จึงเป็นภาวนาปริญญาต้องทำให้เกิดขึ้นนะเพราะปกติเราไม่เคยไม่เคยคิดแบบนี้เลยะนะว่าความคิดอันนี้ต้องทำให้ให้เกิดขึ้นให้มีขึ้นให้พิจารณาเห็นรูปว่าเช่นไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน้ากลัวเป็นอนัตตาไม่มีสาระรูปถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดานะนะ นั้นผู้ที่พิจารณาอย่างนี้จะต้องพิจารณาทั้งโดยอัตตาโดยสมัยและโดยสัน ต, ติเนี่ยนะั น, นพิจารณาพื้นฐานของการพิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะที่สำคัญที่สุดเนี่ยปัจจัยต้องแม่นยำเนี่ยนะถ้าปัจจัยไม่แม่นยำนะก็ก็ไม่เที่ยงอ่ะนะไม่ต้องฟังธรรมก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่เที่ยงเรียนถามพระพุทธเจ้านะครับเออก็บางคนก็เริ่มมีความรู้สึกว่า มีการน้อมไปบ้างะนะครับแต่ว่าความเข้าใจนามรูปหรือว่าเรื่องปัจจัยก็ยังไม่ได้มั่นคงแต่ว่าเริ่มที่จะมีการพิจารณาว่ามเมติยังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาสําหรับคนที่มีการพิจารณาจริงๆอย่างจังเนี่ยครับจะมีผลหรือว่ามีเครื่องวัดจากตรงไหนครับว่ามีการพิจารณาซึ่งเป็นตีรณาปัญญา การพิจารณาไม่เที่ยงเนี่ยนะก็ค <t iny> ือกลุ <t iny> ่มว่าคุ้นเคยกันก็คือกลุ่มมรณานุสตินะว่าง่ายๆนหนึ่งนะที่หยาบๆหน่อยการทำตีระณะปริญญาก็คือการเจริญกลุ่มมรณานุสตินั่นเองนี่นะทีนี้การพิจารณาถึงความไม่เที่ยงหรือความตายเป็นต้นเนี่ยที่ที่เป็นตีระณะปริญญาเนี่ยนะก็คือมรณะธรรมโตเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มีความตายเป็นปกติเนี่ย ถามว่าถ้าปัจจัยไม่ดีถ้าเขาตายแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าไม่รอบรู้เรื่องปัจจัยนะก็จะดูแล้วเขาจะเข้าอุเฉททิถิหรือสัสตถทิถิก็ดูได้ตรงนั้นเออเดี๋ยวก็ตายแล้วเดี๋ยวก็ตายแล้วเดี๋ยวคนเหล่านี้ก็เดินไปสู่ความตายกันหมดนะนะี่ถ้ายาตะปริญญาคือการพิจารณาขันห้าพร้อมทั้งปัจจัยไม่ดีเนี่ยจะประกาศถึงรับที่ตัวเองเข้ามาเลยว่าจะเป็นพวกอุเฉททิถิหรือสัสตถทิถิ พวกอุเฉตก็บอกว่าเออตายก็จบกันพวกกลุ่มอุเฉตนะถ้าพวกศาสตตละตายแล้วจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งมันเดินออกมามันออกตรงไหนดีบางคนก็บอกออกตรงหน้าผากอืานไหมบางพวกไม่รู้ออกตรงไหนพระเจ้าปายาสิกขังไว้ในตุ่มแล้วเขาอยแง้มดูนี่จะออกจากตรงไหนก่อนนะนะแล่ดูเ อ, อ็ม อ, ออกจากตรงไหนเนี่ยนะไอ้กลุ่มนั้นเนี่ยว่าเป็นกลุ่มศาสตตทิฏฐิเนี่ยนะมันก็มีกลุ่มอุเฉตททิฏฐิกับ ส, สตัตตทิฐิอยู่สองอย่างนี่แหละถ้าถ้าไม่เที่ยงแบบไม่รู้ปัจจัยเนี่ยนะอันนี้จังทุกขังอนัตตาแบบไม่รู้จะปัจจัยจะเข้าลักษณะนั้นหมดถ้าพิจารณาไม่ดีมันจะกลัวกลัวหายไปเหมือนพระชนะพระชนะเนี่ยเจริญวิปัสนาเนี่ยไตรลักษณนี่แหละเนื่องจากท่านไม่ได้กำหนดปัจจัยพอเจริญไปปุ๊บเหมือนอัตตามันหายไปก็เลยกลัวกลัวหาย นะตกใจสะดุ้งกลัวเลยอ่ากลัวสูนยะนะ่นะเนี่ยนะท่านก็เลยไปถามพระอนุ์เนี่ยนะเพราะว่าท่านเจริญวิปัสสนาโดยที่ไม่กําหนดปัจจัยเนี่ยนะพระอนุนก็แสดงปฏิจจสมุปบาททั้งอนุโลมและปฏิโลมให้ท่านเข้าใจเนี่ยนะตอนหลังท่านก็บรรลุมรรคผลเพราะนนั้การทําตีรณปริญญาเนี่ยนะส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือการยั่งถึงยาตะปริญญาให้ให้มากๆอ่ะนะคือคิดถึงสิ่งนั้นอ่นะไอไม่เที่ยงไปเลยเนี่ยนะ มันพร้อมที่จะเป็นมิจฉาทิฐิก็ได้ถ้าถ้าพิจารณาไม่ดีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นนะ่ะจะต้องคิดถึงสิ่งนั้นนะคืออะไรเกิดจากปัจจัยอะไรแล้วทำไมจึงไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นในการพิจารณาแบบตีร ะ, ระประิญญาก็บอกสิ่งนั้นไม่เที่ยงแต่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอ่ะ น, นะ อันอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดานั้นพื้นฐานที่สําคัญที่สุดนะไม่เที่ยงแต่สิ่งนั้นเป็นสังขะนะถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นสิ่งที่อาศัยการเกิดขึ้ น, นเหมือนคําพูดที่พูดเนี่ยเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงแต่คําพูดเนี่ยมันเป็นสังขะใช่ไหมถูกปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยการเกิดขึ้นแต่พูดแล้วก็เสื่อมไปหายไปหมดไป ดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาอันนี้ยกตัวอย่างเสียงนะรูปในบรรดารูปอื่นๆมหาพูดก็ในยะเดียวกันเนี่ยนะก็เป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นสิ้นไปเสื่อมไปคลายไปดับไปแปรปรวนไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นการพิจารณาแบบตีรณะปริญญานั้นจึงไม่พ้นยาตะปริญญาเนี่ยนะไม่ไม่พ้นยาตะปริญญาเพราะฉะนั้นไม่งั้นก็จเจริญแบบเนี่ย คนเรานะเกิดมามันก็เกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาอันนี้ธรรมดาของคนทั่วๆไปนะแล้วเขาทำยังไงธรรมดาของเขาเสร็จนะพอเขาพูดธรรมดานี้เสร็จอะไรเกิดขึ้นก็ไปกินเหล้าต่อเป็นต้นนั่นนะแต่ถ้าธรรมดาของพระอริยะ เ, เจ้าชายสิทธัตถะท่านเห็นว่าเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาใช่ไหมแต่พอของท่านะธรรมดาของท่านไปเป็นยังไงน้อมไปเพื่อจะออกจากความเกิดความแก่และ ความตายไอ้ที่ธรรมดาอันนั้นน่ะท่านต้องการออกเนี่ยนะก็น้อมไปเพื่อจะจะออกจากความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายไม่ได้ธรรมดาแล้วก็เพลินในกามต่อไม่ใช่เนี่ยนะซึ่งไอ้อ น, นิจังทุกขังอนัตตาที่ถูกต้องเนี่ยนะเป็นการพิจารณาตัวที่เรียกว่าปริญยญาธรรมตัวที่วัดว่าเขาทําปริญยญาธรรมดีหรือไม่ดูจากปหาตปธรรมเขาดีขึ้นไหม เมื่อรู้ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตานะปะหาตปธรรมดีไหมเขาบอกว่าอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงหมดนะดูว่ามานะมันลดลงหรือเปล่าก็าบอกทุกอย่างเป็นทุกหมดเลยดูว่าตัณหาลดลงไหมถ้าอนัตตาหมดแล้วทิฐิเขาลดลงไหมนะสังเกตจากปหาตปธรรมแล้วก็ส่วนสิ่งที่สําคัญนะหนึ่งถ้าเขารู้ว่าเขาไม่เที่ยงแล้วสัตทินซีเขามากไหมถ้าเขารู้ว่าเป็นทุกเนี่ยสมาทินซีเขามากไหมรู้ว่าเป็นอนัตตาเนี่ยนะ ปัญญีนีเขาดีขึ้นไหมอันนี้จากการตรวจสอบง่ายๆ น, ยนะนะคือตัวขันห้าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาที่ที่พิจารณาแบบตีระปริญญานั้นเนี่ยจะต้องได้กำหนดรู้อย่างนั้นแล้วก็ละสิ่งที่ควรละคือมานะตันหาทิฐิแล้วก็เจริญสิ่งที่ควรเจริญคือศรัทธาสมาธิและปัญญา คือตั้งแต่การรักษาศีลเป็นต้นมานะตั้งแต่การรักษาศีลการอบรมสมถาวิปัสนาการพิจารณานามรูปทั้งพร้อมทั้งปัจจัยการพิจารณาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยทั้งหมดเหล่านี้เป็นปฏิบัติศาสนาหมดเลยเน่ยนะ อ, อ่เป็นคำว่าศาสนาเป็นชื่อของไตรสิกขานะเมื่อใดที่บำเพ็ญไตรสิกขาเมื่อนั้นก็ชื่อว่าปฏิบัติศาสนาจริงๆก็ปริยัติก็คือคาสอนว่าด้วยไตรสิกขา ปริยัติเนี่ยนะเป็นของพระพุทธเจ้าส่วนปฏิบัตินี่เป็นเป็นของเราของของคนที่เจริญนะเป็นของคนที่ปฏิบัติแต่ถามว่าปริยัติกับปฏิบัติตัวไหนเป็นสารณะปริยัตินะ่เป็นสารณะแล้วตัวปฏิบัติละ่ะคือเอาเป็นสารณะแบบแบบทำมังสารนังข้าฉามิไม่ได้ถามว่าทาไม ถ้าเราศรัทธาเจริญสมมตนะถ้าเราเจริญวิปัสสนาได้นะมานะต่อได้ไหมได้ทิฏฐิต่อได้ไหมได้ตันหาต่อได้ไหมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราเจริญจึงเอาเป็นสาระยังไม่ได้แต่เมื่อถึงโลกุตระธรรมนั้นนั่นแหละเพราะโลกุตระธรรมไม่เป็นที่ตั้งแห่งตันหามานะและทิฏฐิส่วนสมรต ทานศีลภาวนาหรือว่าศีลสมาธิปัญญาที่เราเจริญเจริญกันอยู่ยังเป็นที่ตั้งหรือคือว่าสาสวะธรรมเนี่ยนะเป็นอารมณ์ของอาสวะได้อยู่เพราะฉะนั้นยังถือเอาเป็นสาระธรรมยังไม่ได้เนี่ยนะต่อไปนะว่าคำว่าภาวนาปริญญาเนี่ยอมความไปถึงปหานะปริญญาเลยนะปะหาญะปริญญานี้ต้องต้องภาวนาขึ้นเหมือนกัน แต่ว่าในวงเล็บเขาให้เฉพาะตีรณะก็เพิ่มเป็นปหานะด้วยนะตามมตกิกถาท่านขยายความว่าเวลาที่เสขะบุคคลกําหนดรู้ทำที่ควรกําหนดรู้นั้นธรรมะที่ควรกําหนดรู้ก็เป็นอันกําหนดรู้แล้วอันนะคือถ้าเข้าไปรู้ก็เหมือนกับได้รู้มาแล้วคําว่าการกําหนดรู้เนี่ยนะถ้าแปลเปรียบเทียบเหมือนการอ่านหนังสือเนี่ยนะผู้ที่ทํายาตรปริญญาก็เหมือนกับการอ่านหนังสืออ่านพราไตรปดฎกนี่แหละ แต่ เ, เรียกว่าอ่านพระไตรปิฎกในวัตถุที่มีอยู่จริงเนี่ยนะเขาพทั่วไปเนี่ยก็จะอ่านพระไตรปิฎกที่เป็นคำๆใช่ไหมเมื่อไรที่เราเรียกว่าเห็นอารมณ์ปั๊บอ่านเป็นพระไตรปิฎกได้อะนั่นแหละก็เรียกว่าได้ทำปริญญาเนี่ยนะอ่านให้เป็นเนี่ยก็เราเรียนขัน ธ, าธ์าตุอเยตนะมาแต่เห็นแต่ในหนังสือไม่เห็นในอารมณ์ที่มณสิการถึงสักทีหนึ่งเนี่ยนะนนะเห็นทุกขสั์ก็เห็นตามนี้สิเนี่ยนะแต่ว่าหนังสือก็ เป็นที่บันทึกคําสอนที่นี้ก็เอาไว้เคารพกราบไหว้แต่ก็ไม่ใช่ดูหมินนะนะแต่ว่าถ้าเราได้อ่านได้จริงๆก็หมายถึงว่าสงเคราะห์ปริยัติลงมาในชีวิตที่เป็นจริงให้ได้เนี่ยนะที่เป็นจริงให้ได้ไม่ใช่ว่าถ้าสงเคราะห์ลงในสิ่งที่เป็นจริงอย่างนี้ไม่ได้นะมองไม่เห็นเป็นขันธ์ธาตุอยายตนะไม่พิจารณาเป็นมหาพูดเป็นต้นเนี่ยนะก็ต้องภาคเพียนที่จะมองให้เป็นแบบนั้นจริงๆ นั้นการเห็นตามเป็นจริงเรียกว่าทัศน์ปริญญาการมาพิจารณาถึงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นเป็นตีรณะปริญญามันคนที่ทําปริญญาอย่างนี้ก็เป็นเป็นอันทำปริญญาแล้วเนี่ยนะด้วยสัญญามนัสิการอันเป็นไปพร้อมกับความเบื่อหน่ายหมายว่าถ้าเจริญอย่างนี้ถูกนะความเบื่อหน่ายก็จะเกิดขึ้นเรียกว่าพลาวะวิปัสนาตรงนี้นะท่านยกวิปัสนาโดยใช้สัญญากับมนสิการท่านไม่บอกว่าปัญญานะ ท่านใช้คําว่าสัญญากับมนาศิกานสัญญากับมนาศิกานี่เกิดร่วมกับจิตทุกดวงกันไหมเกิดร่วมกับจิตทุกดวงแต่ในที่นี้กําลังกล่าวถึงเรื่องปริญญาอยู่เพราะฉะนั้นเป็นสัญญามนาศิกานที่เกิดร่วมกับยาตะปริญญาตีรณะปริญญาที่เป็นไปพร้อมด้วยปหานะปริญญาภลรวะวิปัสนาความเบื่อหน่ายนั่นแหละเป็น